ปฏิสัมพิธามัคในภาเวตพานิเทศการขยายความเกี่ยวกับพระธรรมที่ควรเจริญพระธรรมที่ควรเจริญก็คือการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายฮั่นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายถ้าแบ่งไปแล้วก็คือการเจริญสมถะและวิปัสนาการเจริญสมถะและวิปัสนานั้น มีการขยายเรียกว่าแจกแจงรายละเอียดในในที่นี้เนี่ยันขยายไว้ประมาณสามสิบเจ็ดชั้นด้วยกันสามสิบเจดชั้นนั้นก็แบ่งเป็นอุปจาระฌานเจ็ดคือสิ่งที่ใกล้ๆฌานหรือคุณธรรมที่เป็นบากรองรับฌานมีอยู่เจดข้อแล้วก็รูปสมาบัติอารูปสมาบัติเรียกว่าสมาบัติแป แล้วก็มหาวิป 18, ัสสนาสิบแปดมรตสีอริยมรตทั้งสี่ก็รวมเป็นสามสิบเจ็ดข้อสามสิบเจ็ดข้อเหล่านี้เนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่เรียบเรียงเป็นไปโดยลาดับในกุศลธรรมทั้งสามสิบเจ็ดนั้นนะท่านก็เรียกว่าเป็นภาวนาการเจริญกุศลธรรมทั้งสาิบเจ็ดนี่ยเป็นภาวนาเพราะว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เจริญธรรมะทั้งสาสิเจดท่านบอกว่าไม่ล่วงกันและกัน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 ก็มีกุศลธรรมหลายอย่างเช่นในขณะนั้นมีศรัทธาขณะนั้นมีวิริยะขณะนั้นมีสติขณะนั้นมีสมาธิขณะนั้นมีปัญญาฉั้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฮิรออิโอต ป, ปะเป็นต้นเนี่ยกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ล่วงกันและกันคือเป็นตัอย่างเหมาะสมเป็นตัอย่างเชื่ว่าอีกในหนึ่งว่าไม่ล่วงเกินกันและกัน ไม่มีตัวใดล้าหน้าแล้วก็ไม่มีตัวใดล้าหลังนะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นไปอย่างดีอั้นอย่างคนที่ละกามฉันท่ได้จริงๆนั้นกุศลธรรมของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รักษาคุณภาพไม่มีเอ่อความยิ่งความหย่อนไม่มีตัวใดยิ่งหย่อนกว่ากันหรือแม้กระทั่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นที่ละพยาบาทคืออับอับพยาบาทหรือความไม่พยาบาทหรือที่เรียกว่าเมตตา คุณธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะเมตตาเนี่ยนะเช่นอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ล่วงกันและกัน น, นะเป็นไปอย่างพอดีเมื่ออินทรีย์ห้าเป็นไปอย่างพอดีการละพยาบาทจึงมีได้นั้นะพยาบาทก็ถูกกาจัดออกไปแล้วก็การละพยาบาทอั น, นั้นก็เป็นการละที่แน่นอนเป็นการละที่ ที่เรียกว่ามีกุศลธรรมรองรับมากมายหลายอย่างด้วยกันหรือกุศ ล, ธร ร, ล, ธ, นะลธรรมที่ละถีนมิทะเนี่ยนะกุศลธรรมที่ละถีนมิทะก็คือศ ร, รัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่เป็นไปกับอารมกสัญญาข น, านั้นก็สามารถที่จะละถีนมิทะได้ก็ไม่ใช่ว่าแค่แก้ปัญหาไปเฉพาะขณะขณะไปแต่เป็นการข่มถีนมิทะ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 ง่วงทีก็แก้ทีง่วงทีก็แก้ ท, ท, กกทีไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่ากุศลธรรมที่ต่อเนื่องมีพะละมีกําลังมีความรู้มีความสามารถพอที่จะเกียรติกันทีนะมิทะให้ห่างออกไปไกลหรือแม้กระทั่งละอุทะจะเนี่ยนะละอุทะจะคือความฟุง้งซ่านก็ละด้วยความไม่ฟุง้งซ่านละด้วยสมาธิเนี่ยนะนะสมาธินั้นก็มีสติมีวิรยิยะเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุนแล้วก็ความที่เป็นผู้มีศรัทธาในา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 หน้าที่เต็มที่อะโลภอาโทสะอาโมหะเป็นต้นคุณงามความดีเหล่านั้นแต่ละตัวแต่ละตัวถูกดึงเอาพลังเรียกว่าเอาพลังเอาความรู้ความสามารถมาใช้งานทั้งหมดแล้วก็ไม่มีผู้ใดไปเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันไม่มีกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าใดที่อยู่ในที่เดียวกันมาก้าวไายกันและกันนะนะแล้วก็เป็นกุศลธรรมที่ได้รับการกาหนดทิศทางเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า เป็นการเจริญเพื่อข่มบาปอกุศลในเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นการเจริญในลักษณะแต่ทางข้าประหารเตะและวิขำพนาประหารแต่เบื้องปลายนั้นเพื่อสมุเฉทประหารท่า น, นก็กุศลธรรมเหล่านี้ก็จะผนึกกาลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มที่ก็เรียกว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ความไม่ฟุ้งซ่านนั้นไม่ล่วงกันและกันเมื่อความไม่ล่วงกันและกันอย่างนี้นี่แหละจึงจะเป็นอุปจาระสมาธิ เป็นบาทรองรับฌานทั้งหลายเป็นบาทรองรับปฐมฌานเป็นต้นแล้วก็กุศลธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นบาทรองรับวิปัสสนาเป็นบาทรองรับในการวิจัยพิจารณาอริยสัจได้แม้กระทั่งการละวิชชาเนี่ยเอ่อการละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมนั่นการละวิจิกิจชาอันนั้นเนี่ย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 กุศลธรรมที่มีกําลังเป็นไปอย่างพอดีจึงจะละวิจิกิจชาได้ไม่งั้นมันก็จะดูแลใจของตัวเองไม่ได้ว่าเอาไปเอามาเดี๋ยวก็สงสัยอีกแล้วเดี๋ยวก็สงสัยอีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่เอาอีกแล้วความสงสัยนี่มันมันไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วจะทําให้ปัญญาขึ้นนะวิจิกิจชาตัวนี้กับปริปุจชาเปรอย่างกันปริปุจชานั้นเป็นความรู้เป็นความฝักใฝ่ที่จะรอบรู้รอบรู้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรอบรู้ให้กว้างขวางมากกว่าเดิม แต่วิจิกิจชาเป็นเหมือนกับทางสองแ p ่งที่มีโจรร้ายเนี่ยนะเอไปหรือไม่ไปดีแต่ว่าแนวโน้มไม่ไปอะสูง น, นะฉะทันใดก็ดีเมื่อมีความสงสัยในกุศลธรรมโดยมากเชื่อได้เลยว่าเขาไม่เจริญกุศล น, นะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตะปูตรึงใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเป็นตะปูตรึงใจที่จะไม่เจริญกุศลธรรมมันถ้ามีความสงสัยขึ้นเมื่อใดให้รู้ว่าตัวเองนั้นเหมือนก็ว่าแล้วนะ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 แต่หมายคาอว่าไอ้พิษร้ายแรงของความสงสัยคือวิจิกิจฉาด้วยอํานาจบาปอากุโสธรรมเหล่านี้เนี่ยมันร้ายแรงถึงขนาดว่าตรึงใจเนี่ยนะเป็นตะปูตรึงใจที่ไม่ให้เกิดการเจริญงอกงามในกุโสธรรมทั้งหลาย น, นะ <S <S ท่านคนที่จะละวิจิกิจฉาได้กําจัดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยจึงมีการกําหนดธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกำหนดกุโสธรรมทั้งหลายได้อย่าง ชัดเจนมีการกําหนดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะเมื่อมีความสงสัยเนี่ยการที่จะสอบถามเอ่อเข้าไปสอบถามผู้ที่สามารถขจัดบัมบัดความสงสัยให้ได้จะต้องไปสอบถามถ้าไม่สอบถามเนี่ยนะถ้าอยู่ด้วยความสงสัยยากที่จะเจริญงอกงามในกุศลธรรมเนี่ยนะเพราะว่าความสงสัยเนี่ยเป็นตัวบันทรตัวบันทรกุศลธรรมจิตมันเริ่มท้อแล้ว ชักไม่เอาแล้วเนี่ยนะคือคือเหมือนกับว่ามันไม่เอาแล้วใจมันไม่เอาเมื่อใจไม่เอามันก็ไม่เจริญอยู่แล้วเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถือเอาใจเป็นประมาณนะอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะสําเร็จแล้วแต่ใจถ้าหากว่าใจเนี่ยผ่องใสถ้าใจผ่องใสด้วยอำนาพิชาด้วยอัพยาบาทด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะาการกระทําคําพูดเป็นต้นเนี่ยอ่า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 ตัวใดตัวหนึ่งจะเข้ามาเช่นสัสตะถิธิเป็นต้นจะตามมาเพราะฉะนั้นหวังความเจริญงอกงามในกุศลธรรมได้ยากเพราะนั้นวิจิกิจชานี่จะต้องอะไรจะต้องหาอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาพระธรรมไว้อย่างมากมายและกว้างขวางเพียงพอแล้วก็ต้องอาศัยกาลยานะมิตรอาศั ย, ลยลหล้ไรอย่างด้วยกันเนี่ยนะจึงจะสามารถกำหนดแยกแยะได้เพราะว่าวิจิกิชาตัวนี้เป็นตัวที่ที่ทาลาย เนีะปัทธร้ายทําให้กุศลธรรมที่ควรเจริญก็ไม่เจริญขึ้นท่านก็ต้องกล่ารวบรวมบุญกุศลหลายๆประการเพื่อที่จะละวิจิกิจชาแล้วก็ให้กุศลธรรมเหล่านั้นไม่ก้าวไายซึ่งกันและกันไปเนี้ถ้าจะละอวิชชาท่านบอกว่าละด้วยคสามารถแห่งญาณ น, นะเนี่ยนะคือปัญญาเนี่ยเป็นหัวหน้าปัญญาเป็นใหญ่แต่ถ้าปัญญาที่ขาดกุศลธรรมอย่างอื่นรองรับ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 ปกติความมืดทั้งหลายเนี่ยนะถูกขจัดออกไปด้วยแสงสว่างนะแสงด้วยแสงประทีปกลางคืนเดือนมืดเนี่ยนะถ้าจะกาจัดความมืดเหล่านั้นก็คือด้วยการจุดประทีปแต่ถามว่าประทีปที่มีไส้อ่อนแอมีไส้อยู่เส้นเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไส้ประเภทผุๆเปื่อยๆด้วยนะแล้วก็น้ำมันเนี่ยเศร้าหมองหม่นหมองเต็มที่ลมก็แรงๆถามว่าประทีปดวงนั้นจะสว่างแค่ไหน ว่มันจุดติดนิดเดียวก็ดับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าติดเสร็จก็ดับเลยติดเสร็จก็ดับเลยฉันใดปัญญาที่จะละอาวิชาก็ฉันนั้นจะต้องมีกุศลธรรมอย่างอื่นมารองรับเนี่ยมาก <c oughs> โดยเฉพาะอ่ากุศลธรรมคือศรัทธาวิริยะสติแล้วก็สมาธิเนี่ยนะเป็นตัวรองรับปัญญาเป็นเหมือนกับอ่าตัวอุดหนุนที่จะทําให้ปัญญาเนี่ยส่องประกายแห่งความสว่างได้อย่างมาก ทีนี้ที่สำคัญก็บอกว่าปราโมทเนี่ยนะเป็นตัวละอารติปราโมทเนี่ยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ปราโมทนั้นอะ่ะมันก็ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันก็เขาบอกว่าศาสนานี้อะไรทาได้ยากเขาบอกว่างั้นศาสนานี้อะไรทำได้ยากบอกการบวชทำได้ยาก